ตอนนี้ไปพากันตั้งใจฟังธรรมเทศนาฟังเทศถ้าหากฟังรู้เรื่องเข้าใจในการฟังธรรมเทศนาจะทำใจของเราให้ฟองใสเบิกบานหันสา่าเรืองอยู่ตลอดเวลาถ้าหากฟังไม่เข้าใจก็จะเป็นเรื่องง่วง ทำให้ซึมให้เมาให้ง่วงก็จะมีความเน็ดเหนื่อยเลยกลายเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องทำขมจุกได้เกิดขึ้นเพราะการฟังธรรมเทศนาเพราะฉะนั่นจงพาการฟังให้เป็นฟังธรรมเทศนาคําว่าฟังนั่นฟังเป็นทุกคนนั่นละ่ะ แต่ที่ว่าฟังเป็นในที่นี้นั้นไม่ใช่ฟังตามธรรมดาพวกเราพวกปฏิบัติตั้งใจฝึกหัดเรื่องจิตใจโดยเฉพาะฟังเป็นนั่นให้ฟังให้ถูกคนทางทางที่ถูกที่จริงและการฟังธรรมเทศนานั้นจะให้ฟังส่งออกไปนอกถ้าส่งออกไปนอกแล้วจะไม่ได้รู้ของจริงมาเห็นของจริง พระพุทธเจ้าท่านเทศสนาไม่ได้เทศให้ออกไปนอกไม่ได้ส่งออกไปนอกทุกๆคนพากันฟังธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคนนับเป็นนับหมื่นนับแสนกด็ดีพระองค์ชี้เข้ามาในตัวของเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมเทศนานับ เป็นเรื่อยๆพันนับเป็นหมื่นๆแสนๆกว่าจะไม่มีการแย่งชิงตึงนอะไรกั น, ไ, กนไม่เหมือนกันเราแจกของอย่างแล้วแจกของปล่อยของอย่างนี้แหละเพราะเห็นทิ้งให้ก็เลยจะพากันชิงกันเอาบางคนก็จะได้มากคนบางคนก็จะได้น้อยหรือบางคนได้ของดีบางคนไม่ได้ของดีจะเกิด อ, อิจฉาหรือยาตื่นอะไกั น, กนเป็นเรื่องทะเลาะกัน ส่วนการฟังธรรมเทศนานั้นไม่ใช่เหมือนกับของแจกไม่ไม่ใช่เหมือนกับแ จ, ก, จกของสิ่งของแทนที่จะเป็นการแจกเลยกลับเป็นการที่เข้ามาหาตัวของตนว่าของท่านทั้งหลายมีแล้วทุกคนไม่ใช่ของไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าท่านตรัตเทศนาว่าอัคตตาโลจะตาคา ปฏิปนาพระโมกขันจกักพระพุทธเจ้าเป็นได้เพียงผููแนะนำที้ทางบอกให้พวกท่านทั้งหลายพากันฟังแล้วได้ความเข้ า, ขาใจปฏิบัติตามอาจจะพ้นจากทุกข์ไปอีกฟังดูคำข้อนี้ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ แบ่งฟันไม่ได้แจกธรรมะให้เป็นแต่ชี้เฉยๆคำว่าชี้นี่ชี้คือของมีอยู่ไปดูสิเราชี้อะไรก็ตามถ้ชี้ใค้ดูนะชี้ของมีอยู่นั้นของมมีไปชี้ยังไงมันมีใครชี้ได้หรอของมีอยู่มีอยู่ที่ไหนก็ชี้เข้ามาในตัวของเราที่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกๆคน หาหากเราเห็นแล้วเราปฏิบัติตามเราเป็นคนพ้นจากถุกเราฟังเพืนอเฉิมกับใครคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนแจกธรรมะแบ่งปันธรรมะให้อย่างเราจะเห็นได้เช่นเราสมทานศีลพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ศีลพระไม่ได้ให้ศีลอ่าก็เอาศีลให้พวกญาโยม พระก็ ห, หมดสินให้ทุกวันทุกวันก็เลยหมดจ้ะาเป็นจริงถ้าไม่ได้ให้ท่านบอกให้เรางดเว้นเสียจากโทษดังนั้นโทษหาโทษแตกการนี่จะว่ า, าท่านให้สินไม่ได้แต่ภาษาเราพูดกันว่าถ้ะให้สินคำสมมดบรร ญ, ญตัตอันนี้ลหละมันเลยไป เข้าใจผิดเนียแต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไหมคือบอกให้เรางดเว้นให้จากของชั่วคือโทษน น, นั้นชั้นเดียวกันกับเคี่ยวพุทธิย่นเทศสนาอันนี้ก็เรียกว่าเทศนาเหมือนกันคือให้สิทธเนี่ยธรรมะที่พุทธิย้าท่านสอนพวกเรากละสอนชี้เข้ามาในตัวของเราทุกๆคนซึ่งมีอยู่แล้วในตัวตนของเราทุกๆคน นี่ว่าจะพ่อทั้งเรื่องการปฏิบัติธรรมที่จะอธิบายในวันนี้นะ่ะปฏิบัติยังไงปฏิบัติธรรมคือดังกล่าวแล้วว่าธรรมมีเยอะแวะของเราทุกๆคนธรรมที่มีเยอะแะของเรานั้นบรญญัติให้มีชื่อสมมติให้เข้าใจเรียกว่าธาตุขันอายจะนะ ธาตุขันอายตนะนี่เป็นที่ตั้งแห่งทา่าไอนี่เป็นที่ตั้งและที่เกิดของปัญญาเราต้องมีที่ตั้งเลยที่จับจุดในการที่เราพิจรารณาจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมา ปัญญาที่เราพิจารณานี่เรียกว่าปัญญาสะสมเป็นปัญญาเจริญปัญญาปกติธรรมดาถ้าหากเราไม่สะสมเราไม่เจริญไม่เกิดอยู่ยเฉยไม่เกิดปัญญาดังภาษาโบราณที่เคยพูดกันว่าคนที่มีปัญญาคือคนช่างคิดช่างกลอง คนที่กลึกที่กองเคยช่างคิดช่างนึกอย่านั้นเขาเรีวาคนมีปัญญาภาษาเป็นพื้นบานของเราก็พากันพูดกันอยู่ถ้าคนใดไม่คิดไม่นึกไม่กลึกไม่กองเห็นก็ไม่รู้จักคิดฟังก็ไม่ได้รู้จักนึกไม่รู้จักคิดไม่จะรู้จักนึกอะไรด้วยไม่มีปัญญา ดังนันการที่รู้จักจคิดอย่างนึกรู้จักจพุทผลปัญญานี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาปัญญาเกิดได้เพราะการเจริญอันนี้เจริญตรงไหนละ่ะการนี้ไม่ใช่เจริญที่ภายนอกการเจริญภายนอกคิดนึกในการที่จะประกอบผิดการงานนั้นเนี่อะไรต่างทุกสิ่งทุกประการที่เราทําออกไปนะก็เป็นการเจริญปัญญาเหมือนกัน ในแนทางพุทธศาสนาท่านเลให้เจริญอย่างนั้นให้เจริญเข้ามาในตัวของเราดังตั้งบทไวเบื้องตน้นตั้งลักเอตั้งที่จะให้เกิดบ่อเกิดของปัญญาที่อธิบายไปเบื้องตน้นว่ามาัธกีนี่วะธาตุาขันธ์อายุตนะอินทรีย์ตัวของเราทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าธาตุสี่เอาตั้งตรงนี้แหละ เอาตรงนี้แหละพิจารณาตรงนี้แหละถ้าหากเราไม่ได้ยินได้ฟังและเราไม่เคยคิดเคยพิจารณาเราก็จะเห็นเป็นตัวตนคนเราคนหนึ่งคือตัวของเราเนี่ยว่าเป็นตัวคนถ้าหากว่าเรามาทิ้งคําว่าค น, ห ร, านหรือว่าตนว่าตัวลองลอ ง, ลองดูที่ขานี้มันจะเป็นอะไรกขานี้ แต่เป็นก้อนอะไรกันไหมจ่าคนก็อยไปพูดสิตนก็อย่าไปพูดนะอันนี้จะเป็นตัวอะไรกันก็ไม่จ่าอันนี้อันที่ไม่มีชื่อไม่มีสมุติเนี่แหล่แต่มันปรากฏอยเดีนี่แหละถ้าเราทิ้งชื่อสมุติเนี้ยเสร็จแล้วนั้นตั้งใจมาคิดคิดเจตนาทิงจะเกิดปัญญา แล้มาด<ต dragon risque>ูตัวน <savage> ี่อันตัวก้อนตัวเนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่เมื่อเราได้เคยได้ยินฟังทำคำตอบนักพูดได้เจวแล้วเราเข้าไปคิดค้นไปเจรนาดังเราพากษ์ศาสารทยายเยอะแล้วว่ะที่มาจฉมิงกายเยเกศาโลมานะขาทางตาตาโจ้ไล่เราไปดูสิอันนั่นกับเป็นผมอันนั่นกับเป็นขนอันนั้นกับเป็นเล็บอันนั่นกับเป็นฟันอันนั่นก็เป็นหนัง มาแยกออกทั้งมดเลยคนไม่มีไม่ทราบไปไหนกันหมดไม่มีคนจกลงว่าเป็นอาการ32ทั้ง32ประการนี่แหละแยกไปธาตุสี่คือสิ่งที่มันแข็งคนแต่เป็นธาตุดินจช่ไหเ็นผมขนเล็บผนังเนื้อเอ็นกระดูกยเยอในกระดูกมากหัวใจ ภาพพังผืด ใ, ใหญ่ๆในนออาหารใหม่ข้างเก่าชิดแต่ได้เป็นดินดินมีลักษณะพิแศษกันไม่ต้องดูอื่นกลาย ไ, ไม่ให้จิตส่งไปที่อื่นอ่ะดูเฉพาะผมก็รขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นมีลักษณะพิแศษกันแต่ให้สมมญญติสมมติว่าดินบรรยัติว่าดินเพราะเป็นสิ่งที่แข็ง ปรากฏแข็งข้นปรากฏเรียกว่าธาตุดีสิ่งที่มันเหลวเรียกว่าธาตุน้ําคือน้ําดีน้ําเลือดน้ํำน้องน้ําเหลืองน้ําเหงื่อน้ําไข่น้ําดีน้ําตาลิดน้ํามูดมีในตัวของเราเนี่ยมีเรียกว่าธาตุธาตุน้ํา ชาตุลมคือลมขึ้นข้างบนก็ดีลมลงข้างล่างก็ดีคนเท่าคนแก่ผงจะเห็นชัดเลยหรอกเรื่องลมขึ้นข้างบนมันทําให้มืดหน้ามืดตามันเลอะมันอาเจียนออกมานั่นเรียกว่าลมขึ้นข้างบนลมลงข้างล่างคือมันขับให้ปัสสวะอุจจระถ่ายเอออกไปได้ ระบายลมหาใ น, นลมลงข้างล่างลมพัดไปในตัวคือว่าลมมันซ่านอยู่ตามตัวของเราคนเราเนี่ยมีลมซ่านซานไปทั่วทั้งทางกายระบายอากาภูมิคุมกลอันนี้ลมในตัวลมในใสในพุงทาให้เจ็บให้คัดให้อืดให้เพ้อท้องเพ้อท้องค้น ด้ประกาศนักการหาหน้ามันลมอยู่ในลำาใจลมพัดไปในตัวลมหายใจออกหายใจเขา้าเป็นช่องระบายช่องใหญ่มีพัดหันไปมาทั่วสารพางกายอันนี้เรียกว่าธาตุลมธาตุไฟก็ไม่ปรากฏธาตุลมก็ไม่ปรากฏ ธาตุไฟคือทําให้เราอบอุ่นที่มียอยตัวของเราทั้งหมดถ้าหากที่ไหนธาตุไฟไปไม่ถึงธาตุลมก็ไปไม่ถึงเลมก็ไฟมาตามก็ไปดังเั้จุดเทียน้าตุลมไม่มีเทียนมันก็ไม่ติดก็ไม่ลุกไฟมันต้องอาศัยพวกไฟติดแล้วก็ชูให้ลมดึงกันไปดึงดูดกันไป อันไฟก็ลมมันติดกันไปมันอบอุ่นไปทั่วจนทางกายเพราะลมพัดผันไปมาทาให้ธาตุไฟอบอุ่นทั่วถ้าไฟไปไม่ถึงก็คือลมไปไม่ถึงนั่นเองมันทำให้เน็บให้เมือนื้อให้ตายเย็นก็ได้างยาประการต่างๆอันนี้เรียกว่าธาตุไฟไม่ถึงไฟให้อบอุ่นทั่วยัางกายของเรา ไฟอันหนึ่งเป็นเหตุให้เผาอาหารในย่อยยับถ้ามันมีไฟหรือไฟอ่อนอาหารไม่ย่อยบูดเนา่าอันนี้อาศัยไฟกองนั่นแหละเผาอาหารให้บูดเนา่าเราทานอาหารลงไปบางทีจะเป็นของแข็งเช่นกระดูก อ, อ่อนอย่างนี้เป็นต้นหรือเม็ดมะขามเม็ด้ก็ตามเด้ที่แข็ ง, ขง ถ้าหากไม่มีไฟกองนี้เผาให้เสร็จแลว้วแล้วท่านนั้นไม่ละลายหรอกอันนี้มีไฟกองนี่สำหรับเผา <c oughs> ไฟอีกชนิดหนึ่งร้ายกาจที่สุดก็คื อ, อไฟย่างร่างกายของเราให้เหียวแหกชำรุดสุดส่ง ไฟอันนี้ทําให้เราแก่เท่าจะลดทุกโศกแหย่ยหงาไปเรื่อยเรื่อันนี้ไฟร้ายมากไฟอบอุ่นยังกายอบอุ่นไฟยังกายให้เผาอาหารให้ย่อยยับไปไฟที่เขาล่างกายแหีแห่ยหงายทึกโศก ไฟทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวงเราทั้งหมดเนี่ถ้าหากเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งลมทางดินทางนา้ําทั้งลมท้งไฟเราพิจารณาดวงเราแล้วเราจะมองเห็นตัวของเรานั่นี่ะเป็นโลกอันหนึ่งที่มีดินน้ําไฟลมผสมกันเป็นก้อนคือมาและต่างทางานตามหน้าที่ของมัน มีดินน้ำไปล้มผสมกันแล้วก็ทำงานตามที่กมันเช่นเท้าเช่นมือของเราก็ดีที่เราจะขู่เหยียดได้ที่จะถึงจะขึงออกไปได้หรือประกอบการงานนั้นได้กระเพาะมมนี้แหละมันช่วยให้มันคล่องแคล่วแม้ที่สุดแต่อาหารที่อยู่ในกระเพาะของเราที่เราทานลงไป แับเพาะไฟทั้งหลายนี้เพาะลมทั้งหลายนี่แหละทําหน้าที่ของมันให้ย่อยยับซึมซาบไปตามเส้นประสาททาสันทางกายของเราให้มีให้ชุ่มชืสดสดใสไม่แหวแหงน้าไปหล่อเลี้ยงโดยที่เราไม่ได้นึกคิดเลยไม่ได้ประสงค์อันเลยโดยที่เราไม่ได้บังคับมันเลยแต่เขาทําหน้าที่ตามเรื่องของเขา สิ่งใดที่ควรจะเป็นไปเพื่อการหล่อเลี้ยงมันก็หล่อเลี้ยงไปตามเรื่องอันใดมันเป็นกาเป็นเศษมันก็ทับทับถ่ายออกไปตามเรื่องของมันมันนั่นเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าหากเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะไม่มันจะเกิดความรู้สึกคือมาชนิดหนึ่งถ้าหากจิตของเรารวมันคือจิตของเราสงบไปพร้อมๆกันกับเราพิจารณาเลย จะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาในขณะนั้นอย่างน้อยที่สุดจะมีความรู้สึกว่าแปลกประหลาดร่างกายีะเป็นของแปลกประหลาดมากหรือมีจินั้นเราจะเห็นร่างกายนี่เป็นเครื่องจักรงนกลไกอันหนึง่งซึ่งมันทำงานอยู่ตลอดวันทามเืนรุยี่สิบสี่ชั่วโมงมันมีไม่มีหยุดเลยจากอันนี้นะั่นตั้งจะเกิดจนวันตาย ยุดเมื่อไรก็ตายเหมือนนั้นนี่จะเกิดความรู้แปลกปหลาดขึ้นมาเป็นของหน้าคิดเป็นของหน้าพิจารณาเป็นของแปลกประหลาดจริงๆคนเลยจะไม่มีอาคันนี้แล้วเป็นเครื่องจักรไปแล้ะคนเลยหายไปเลยจะกลายเป็นโลกไปละคนก็เลยหายไปจะเป็นเครื่องยนต์ไปอีกล่ะเหตุนั้นสมัยครั้งพุทธกาล โหหารของพระอรีย์เจ้าทั้งหลายท่านเห็นหน้าเห็นตากันท่านไม่เคยพูดท่านไม่ได้พูดว่าท่านสบายดีอยู่หรือหรือว่าท่านเป็นอะไรท่านมาจากไหนท่านไปยังไงท่านไม่ได้ไม่พูดอย่างนั้นจำนวนของพระอรีย์เจ้าท่านคือท่านไม่มีสมมติสัญญัาท่านเอาของจริงนี่มาพูดท่านบัญญักษขึ้นต่างหากท่ะตามเป็นจริงสมมติขึ้นตามเป็นจริง คำว่าคนมันก็ไม่มีคำว่ามนุษย์มันก็ไม่มีเลยท่านเลยเปรียบพอเห็นหน้าเห็นตาแก็ทักทายกันสรีระยัตยนตังยนตคือสรีระของท่านค้ามาในยันที่มัพออดกลั้นอยูอ่สรีระยัตยนตังยนคือสรีระของท่านอนะ่ะ เจตุจักกังมีจักสีขมนันในยังพออดล้านลือท่าถามกันอย่างนี้ตาลีระยันตังเจตุจักกังนวะทวารังมีถวาวรเกา่าขมานันในยังพออดได้หรือ้อทำไมท่านยังถามกันงันท่านไปดูของจริงคือความจริงมนานล้วชาลีระนี่เป็นเรื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เจตุจักกังมีจักสีคือได้เกียริยาบทสี่ นว่าทวารังมีทวารเก้านับดูสิทวารเรามีเก้ามัดทั้งตัวทำมันในยังเพราะอดทนทานอยู่หรือไม่เหมือนกับพวกเราทุกวันนี้เนี่ยเพราะเราก็เห็นหนายนต่างกันสบายดยีอันนี้พุทธเจ้า่าสบายโกหกกันทัางเทนะถ้าความจริงแก็โกหกกันทั้งเทไม่ใช่ในควรสบายมาจากไหน เี่ยงได้ว่าพออดอดทนได้ไปวันหนึ่งมานหนึ่งเท่านั้นน่ะไม่มีความสบายหรอกคนเราดังเคยอธิบายฟังมาแล้วอ่ะคุกข์ด้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแม้ที่จุดจะนอนหลับก็ยังมีทุกข์ตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมาก็ทุกขนาดที่เราหลับจะเป็นอย่างทุกข์คือมันยังกลับพลิ่งไปมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะพิ้งกลับไปมา แต่ว่ามันทนได้ไหมมันทนไม่ไหวมันกลับตัวมันเองนี่จะแสดงไว้ทุกเต็มที่แล้วอดกั้นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นการถ้าจะพูดเรงเรื่องลอเรื่องเปลียนมันก็กล้งแหวหมุนไปเราเดินไปเดินมานี่ก็เหมือนกับกลีงแหหมุนไปแหละ ปัญญาที่เรามาพิจารณาอย่างนี้ให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาคิดแตกจากปกติเดิมเพื่อกลัวคิดนึกแต่ก่อนเก่าแล้วเข้าใจว่าเป็นคนที่หลังถ้าหากเรามาพิจารณาดังอธิบานนี้เกิด ค, ความรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่คนเสร็จแล้วค่ะนี่มันเป็นเรื่องจักเสแต่แล้วมันเป็นเรื่องยนต์จากคนไกลเแต่แล้วเรื่องเป็นโลกอันหนึ่งแต่แล้ว นอกจากนั้นอีกหากคนจะมีปัญญาสอดแหลมเข้าไปอีกมันจะเห็นตัวตนคนทั้งหมดตัดวของเรานี่ยประกอบไปแล้วด้วยสุภาฏิกูลดังที่อธิบายมานะคมก็เป็นของปฏิกูลโสโค้ขนเล็บวันหนังยิ่งแล้วกระดูก เนื่อเอ็ยนยิ่งเป็นของหนาปฏิกูลมากอาหารใหม่อาหารเก่าภายในยิ่งแย่ไงแท้โนวนโบราณท่านอธิบายว่าหลุมสว้วมคนเราน่ะคือหลุมสว้วมดีๆนี่แหละปุกคาลันตังปะคาลันตังไหลออกไหลเข้าของเก่าไหลออกไปของใหม่ไหลเข้าไปไหลก็นเยอะงั้น ไม่ใช่ไหมครับถ่ายไหลไปแต่ทางถาวรหนนะักตามผมขนคุ้มขนต่างๆเมือนก็ะตือกราบครับไทยครับถ่ายออกไปที่ว่าเหงื่อวัดไทยมันตั้งไปของปฏิกูลโดยถวดส่วนเดียวเราไม่คิดถ้าพูดถึงเรื่องปฏิกูลนาเกียดไม่อยากฟังแล้วมันจะพูดดวดแล้วไม่อยากคิดด้วยคือ <c oughs> ไม่อยากเห็นของจริงนั่นเอง เชื่อเป็นของเลวใชะไหล้ไม่ได้ของจริงสักกี่หากว่าเราสู้ตั้งใจที่จะพจารณาของจริงแล้วจะเห็นชัดขึ้นมาพราะเป็นของปฏิกูลแท้อันนี้เราเบือนหนีใช่ไม่อยากเห็นของจริงพูดก็เลยไม่อยากพูดเลยนึกคิดก็เลยไม่อยากนึกอยากคิดจึงเรื่องจึงเป็นเรื่องปกปิดปัญญาไม่ให้เกิดความรู้ขึ้นมา เห็นต่ามไม่เห็นต่็นจริง้คือหรือไม่ฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งใจพิจารณาจิตมันอยู่กับที่สงบเป็นสมาธิไปพร้อมๆค่ะ อ, อาจจะเกิดของลูกมาอีกหลายด้านหลายทางเช่นเห็นเป็นของปฏิกูลแล้วยังไม่แล้ว เห็นไปด้วยขอไปด้วยกูมเกินเป็นเหตุให้เบื่อหนายเห็นเป็นก้อนทุกข์ทนทรมานเอาจริงๆจรจังดังคำนวนพระเดียเจ้าท่านคำนี้อย่างพออดกลั้นได้หรือคำว่าอดกลัน้นได้ในสมัยทุกเต็มทีแหละที่ค่อยต้องอดกลัน้นต้องทนทุกข์แล้วเสู้กับทุกข์อ่ะชื่อเรียกว่าอดกลัน้นเห็นเป็นก้อนทุกข์ แล้วจะสังเวชสลดใจในตัวของเราเองบอกว่าแม้ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบันนี้คนทุกข์ก็ใจจริงแล้วจะเห็นความโง่ของตัวนอีกเราเพลิดเพลินมัวเมาาแต่นี่นแต่ใดทำไมนึกคิดว่ามันทุกข์อย่างนี้แต่ลยมาวันนี้เห็นชัดเลยนะแม่แม่ก้อนทุกข์จริงๆเราเพลิดเพลินรุ่มหลงมัวเมานั้น เราไม่เห็นแล้วจึงค่อยหลงเมืมอเมาเมายั่ในกองทุกคเคื่อนเปลี่ยนยันในก้อนทุกจริงๆ จ, จเห็นความโง่ของตนเกิดขึ้นมาความฉลาดเกิดขึ้นแล้วก็เห็นความโง่ของตนนะครับถ้าความโง่ยังปกปิดยู่ตราบใดแล้วความฉลาดไม่เกิดหลือไม่เห็นความฉลาดสักทีฉลาดก็จะได้แก่งโง่นั่นแหละฉลาดอะไรก็จะาด้ไปทอะ เห็นเพียงเพื่อเปลือตกตนตื้ อ, อๆนนก็เผลนเพนราว่าตนเห็นแล้วว่าตนฉลาดแล้วตนรู้แล้วเพียงพอแล้วงานในฉลาดในฉลาดแกงโง่ถ้าไม่เห็นอย่างว่านี่แหละมันตั้งโง่แทนโง่จะไม่โง่งไงนอนเฝล่ามันตั้งแต่เกิดจะตายไม่เคยพิจารณาเลยสักทีแล้วไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยสักทีจะไม่โง่งไง นี่แหละถ้าหากว่าเรามาตั้งหลักจับจุดอันนี้ได้แล้วมาตั้งใจพิจารณาธาตุขันธ์อันนี้ว่าเฉพาะถึงเรื่องธาตุขณะพูดถึงเรื่องธาตุจะธาตุส น, น้ไปลมแล้วก็ไม่หนีก็ไม่กิดากขันธ์ด้วยกันคือขันธ์ห้าขันธ์ห้าสมายตัวรูปนี้แหละและจะให้เกิดปัญญาอย่างที่บายอันนี้นี่มันต้องเข้ามาไหนอย่างนี้พิจารณาธรรมะ คือพระเดจจานเทศนาเพื่อให้ชำระตัวตนคนเราแต่ละคนละคนถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันจะโลคโมโทสันไปที่ไหนคนเรามันจะไปหลงความสวยความงามมาจากไหนหลงหนุ่มหลงแก่มาจากไหนฉะนั้นมีหรอกมันมีแต่จิตสลดทั้งเวทในใจดวงตนทิฏฐิมานะกิเลสทั้งฟวงหมดคมโรคของโกรกของหลงจะต้องหายหนีเลย หายเด็ดขาดเลยก็โรคไปไห้ตัว้าตสี่มันจะโรคไปทำไมอาจจะผ้าพระดีกูลไม่จะหลงว่าตนสวยตนงามตนดีตนวิเศษวิโสอะไรว่าตนเป็นหนุ่มเป็นแก่ไงกระกรนินแท้แท่ซ้ำนวนว่อหานท่านโบราณท่านแต่งไปคำโครงคำกรอนไว้ อวดตน้นอวดดินมันพูดย า, ยาบๆมันพูดทั้งเรื่องของจริงอ่ะพูดถึงที่สุดเลยอวดดินอวดขี้อวดดีแกตายน้องคิดดูดิไม่มีปัญหาเลยอวดตน้นอวดดินไม่มีปัญหาเลยก้อนดินทั้งก้อนเนี่แทน่นเอาก้อนดินไปอวดเขาทำไมเอาตัวไปอวดเขาเขาเรียกว่าก้อนดินไปอวดทาง ก็อธิบายมนนาแล้วธาตุสี่คือก้อนดินเห็นชัดจริงๆคือก้อนดินแค่เอาก้อนดินไปโชว์บ้านโชว์เมืองเหมือนกันง โ, โ, โง่แตนโง่ของคนเราะอายตอนเองไม่ไปอวดไม่ได้หรอกอย่าว่าอวดต้นอวดดินอวดจีนอวดขี้ไม่มีปัญหาอีกเหมือนกันอันไหนก็เอาเถอะทานอะไรดังไปเอาเถอะไม่เป็นอะไรหรอกมันเป็นอะไเดียวกันน่ะ ทานดีไม่ดีก็เป็นนั่นเดียวนนะอ่ะเห็นนั้นถ้าหากเข้าใจชัดอย่างนี้แล้วทานอะไรก็เอาเถอะของดีของไม่ดีก็เอาจะเป็นของดีมีค่ามีคุณแล้วของไม่ดีก็ทานเพื่ออยังชีวิตจะเป็นไปถ้าหากขาดอันนี้เสร็จแล้วหนะึ่งเป็นตายคนเนาะลกลงมาต้องตายถ้าหากเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วคนเราทั้งโลก แสวงหาตลอด24ชั่วโมงนักเอาเบ้าตู้ตลอดการเวลาหามาได้หาบำลุงอันเดียวคือ ก, ก้อนเดียวเนี่ยไม่ได้หนีจากนี่หรอกแล้วจะรู้สึกตนละอายตนเอ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งมันตั้งบำลุงของไม่ดีจริงๆนี่มันเบีอยงงี้แล้วถ้าหากพิจารณาทำมันจ้ไปไงัถ้าพิจารณาถึงเรื่องโลกแล้ว หากินและหาท า, านของอร่อยอร่อยของมีค่ามีคุณประโยชน์อย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรต่างๆไปไม่ใช่แต่เพียงว่าแต่จะหาว่าบำรุงให้มันยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นยังจะไปอวดพวกคนนั้นคนนี้อีกทั้คุยโม่ใหญ่โตขนาดควาใหญ่ไปโตนี่มันออกไปนอกทํามันไม่เป็นธรรมมันต้องไปอย่างนั้น <S <S ท่นนี้มันก็เลยเป็นเรื่องหามากเลยค่ะนี่หานไมยพอ โอ้เท่าไรกอ็อวดเท่าไรก็ไม่พออวดใหญ่โอ้ใหญ่แล้วกลายเป็นเรื่องลําบากยากยุ่งไปใหญ่โตขึ้นในกนณีสุกัเมาอยู่คนเดียวเรื่องเราเมาวันเดียวน่นะเมาวันไม่มีประโยชน์ถ้าหากเราพิจารณาธรรมะดังอธิบายมา น, นี้แล้วจะมีความเพลินสนุกในเรื่องการคิดพิจารณาปัญญาจะเกิดความคล่องใส และพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าสะสมอบรมเจริญปัญญาปัญญานี่เป็นปัญญาเพื่อพ้นทุกปัญญานี้เพื่อจิตใจของใสไม่ได้วูบอวดผู้ใดปัญญานี่เป็นปัญญาเพื่อความบริสุทธิ์ไม่ได้มีกิเลสเข้าไปแฝงและจะอยู่เย็นเป็นสุขทั้งตนและคนอื่น อยู่ไปชั่ววันวันได้รับความสุขเมื่อเร า, าเราละเสียซึ่งความถือตนอาขังการมาัางการมันก็ไม่มีการกระทบคนนั้นคนนี้มันก็ไม่เดือดร้อนแก่คนอื่นเราของเราก็เย็ยนคนอื่นก็สบายโลกทั้งหลายถ้าฝึกหัดได้งั้นมันก็อยู่เย็ยนเป็นสุขมุดทั้งโลกอันนี้คนเราจะไปหาแก้ทั้งเรื่องภายนอกมันแก้ไม่ไหว ยาวแก้ให้อยู่ดีกินดีอะไรรัฐบาลที่พาการประกาศโฆษณาเ น, น่ให้อยู่ดีกินดีถ้ามันงลองคิดดูที่อยู่ดีกิน ด, ดีอยู่การธรรมดาหามันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนด้วยนนี่แหละดังคนดังก็แสวงหาเดยกันทั้งนั้นใครก็ อ, อยากได้ใคร ก, ก็หาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่านี้กาจะพอยังไม่พอได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอสักที กับพระเหตุที่ความถือตนถือตัวอวดดีอวดเด่นมันยังค่อยเป็นเหตุแต่จะเยอทะยกยิ่งโยยยิ่งขึ้นมาเมื่มยอเย่อยิงทะนงด้วยเปามัน ก, ก็เป็นเรื่องกระทบกันเบียดเบี ย, ย, ยนกันในกันแล้ถ้าเหยียดหยามคนที่จนคนทุกข์มันจะได้ความสุขมาจากไหนแบบนั้นเรื่องทับถมซึ่งกันและกันเห็นนั้นทำโมหะเวรคติธรรมจารี พระพุทธเจาทั้งตรเทศศานาว่าทำโมหะเวรกติธรรมาจารีผู้ใดมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่หรือคือรักษาธรรมะอย่างที่อธิบายนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมทำย่อมตามรักษาคนนั้นให้ได้รับความสุขทุกคนหน้าพาจะมีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วได้ความสุขทุกๆคนแล้วมันจะสุขหมดทั้นทิอันนี้คนอื่น บางทีมีคนทั้งคนรักษาความสุกมีธรรมเปนกลางอยู่คนนอกนํั้นไม่มีธรรมเป็นกลอยู่มันก็กระทบกระเทือนี่เบียดเบียนกันกับคนอื่นเนี่ยคนที่มีธรรมก็เลยพลอยอยู่ไม่ได้ซ้ำนานๆ น, นัดเขาเขา อ, อาจทํำมันมากกว่าทำมันก็เลยวุ่นไปตามกันยากเหลือยากที่จะทนทานไหว ม, มนุษย์ชาวโลกจะเป็นกองจกี่ยวับเป็นเรื่องกมากเห็นนั้นยังพากันบำรุ่งคือว่าจเจริญเมธเจริญปัญญา ดางเทอติบายมานี่การเจริญปัญญาถ้ามันมีที่ตั้งแล้วมันมีที่พิจรารณาไม่มีเครื่องวัดการเจริญสมรมะก็ลงนิดเหมือนกันคือมายึดเอาตัวนี้แหละพิจรารณานี่แหละพอเราพิจารณาแน่วอยู่ในนี่ทีเดียวนั่นเป็นตัวธรรมะไม่หนีไปจากอื่นไม่หนีไปจากตัวไม่หนีจากกายพิจรารณาธาตุสี่เนี่ยนั่นไปรมนังอธิบายนั้นก็ดีหรือว่าพิจารณาเห็นอุปัฏฐาพกปฏิกรนก็ดี หรือจะพิจารณาเห็นโทษทุกข์ของไม่เที่ยงในตังฐารัางกายสดีเมื่อเราพิจารณาแน่วอยู่อารมณ์อันเดียวก็เรียวกว่าธรรมะความรู้แจ้งชัดตามเป็นจริงมันก็เกิดปัญญาพิจนามันก็เดียวกันนั่นแหละอยู่แห่งเดียวกันนั่นแหละเหตุนั้นการปฏิบัติให้มันมีหลักให้มันมีเกณฑ์ถ้าปฏิบัติบัดไม่มีหลักมีเกณฑ์เน่ะ งบง่ายทําไปถึงสี่จังหายิบโน่นสวยนี่ใครว่าดีตรงไหนก็วิ่งไปใครว่าดีอะไรก็เอาวิ่งไปหยิบมาแล้วเรามันไม่ดีมันก็นเลยไม่ดีสักทีเราไม่ถูกมันก็นเลยไม่ถูกสักทีความเป็นจริงธรรมะที่พระเดียวยาวท่านสอนดังอธิบายเนี่ยเป็นของถูกแล้วแต่ตัวเรายังทำไม่ถึงและทําไม่ถึงถูกคือเรายังกระจับกระสายวิ่งโน่นวิ่งนี่อยากได้ดีให้ท่านอกท่านใจประเดี๋ยวประดาวนั่นเมื่อไม่ไม่ สประสงค์กันเลยเลยวิ่งหาสิ่งอื่นอีกต่อไปอันแบบนี้เอาเธอไม่ว่าธรรมะธรรโมไม่ว่าจริงใดงทั้งหมดล่ะหยิบนู่นเือนี่ล่ะไม่มีหลักมีฐานอะเรียกว่าคนจับจดไม่สําเร็จประโยชน์หรอกเห็นแม้จะอาชีพทั้งโลกก็เอาเธอจับจดแต่ไม่สาเร็จประโยชน์แน่นอนการศรรึกษาเราเรียนก็ไม่สําเร็จประโยชน์แน่นอนการวิทยาธรรมะก็ไม่สําเร็จเหตุ น, นั้นจึงพากันตั้งหลักปักให้มันแน่ ตั้งมั่นอยู่ในที่นี้อย่างน้อยที่สุดก็เรียกว่าเราถูกมันทางแล้วถึงเราจะมันเป็นก็จะไปทิ้งทางนี้เรียกว่าถางมันถูกแล้วนี่แหละธรรมะที่อธิบายมาในวันนี้เพื่อให้จับหลักนี้ให้มันได้แล้วเอาไปฝึกพุทธปฏิบัติพุทหัดหากยังมานั้นถึงขั้นนั้นแต่ก็จะไปทิ้งหลักนี้พวาม่จริงเป็ของถูกแล้วเพื่อจะอยาวด้นเทศนาไว้อย่างนั้นให้พุทธควรอบรมตรงนี้ เี่เียว่าสติปัฏฐานสี่ก็คือกายยาเวทนาจิตตาธรรมานี่แหละไม่ใจ่อื่นที่ไกลให้ตั้งหลักนี้ให้ปักลงให้ามันหนักแน่นแน่วแน่ไปตรงนี้แล้วถ้ายังไม่ทันเป็นก็อย่าไปทอดทิ้งและอย่าไปทำรังอย่าไปทำใจร้อนขอให้ยึดว่าถือถูกแล้วผูกอยู่แล้วหนทางแต่เรายังไม่ทันผูกคือเรายังใจร้อนคือไม่ทันปล่อยวางอารมณ์อื่นเรายังมุ่งโน้นมุ่งนี่ เลยสงสัยลังเลอยู่ถ้าครังเราเชื่อมั่นว่าไม่ลังเลสงสัยแล้วอันนี้ถูกต้องดีแล้วล่ะมันก็เป็นการทอดสายปล่อยวางเรื่องอารมณ์มันดีมันกันแน่วอย่า ง, ร เ, รงเดียวก็มีวันที่จะให้ถึงความใ้ถึงความประสงค์ในการที่เราปฏิบัติอธิบายมาในวันนี้ก็เพียงแค่นี้แหละ